ความดีไม่หนีเราไปไหนในเมื่อเราทำความดีใครก็จะหาว่าเราเลวเราชั่วก็ช่างเขาจงจำวาจาพระพุทธเจ้าว่าไว้ว่านินทาประสังสาขึ้นชื่อว่านินทาและสรรเสริญเป็นของธรรมดาของโลกไม่มีใครจะหนีการนินทาไม่มีใครจะหนีการสรรเสริญได้าอลูกจงปิดหูลูกจงปิดตาลูกจงปิดใจ อย่ารับคำดัางสอมใดการทั้งคำนินทาและสรรเสริญถ้าลูกไปรับมันมาไรลูกจะมีแต่ความทุกข์ใจเมื่อนั้นใครเขาจะคิดยังไงเป็นเรื่องอารมณ์จิต ข, ของเขาเราอย่าไปยุ่งเขาอยากจะด่าก็ให้เขาดา่าเขาอยากจะสรรเสริญก็ให้เขาสรรเสริญเขาอยากจะนินทาแล่งแกล่งก็ให้เขานินทาแล่งแกล่งให้มันเป็นเรื่องของเขาเราอ ย, ากยก่าเกี่ยวใจของลูกจะมีความสุข